เอานาร้อนเน้วยมันขึ้นเทศเยอะวันลงปูบุญท่านพันบวชสี่พามพันจัดบวชสี่พามที่เราเจ็ดวันทุกปีทุกปีคนกืบเต็มปีนี้มีจกิกีสิบโค้อนอี่น่าขึ้นมาย่อมมาย่มัมนเอื้อกับสิหลายสิ่พันสิบนี่รอพระ คอนก็จะไปทำท่านล่อพระอื่นเป็นวันหยุดนำ้ำวันเสาร์แต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบลายหลายจนบางวั น, นขึ้นนี่สักยี่สิบคนซึ่งสมถานสินแปดนางฟังอัมมนนะภาวนาหลวงตาก็เลยว่าไปใส่เกี่ยวพกทุ่มเอาเลยเถิด ร้อยนี้เรื่ยร้อยนี้เร่ยน่ยุคเพคือหลวงพูออนพนเทศหลวงพูออนพนเทศบ น, นไม่สำลงอาสีมาให้ประวัติพเพนเว้าย่เรื่อยกตสมัยก่อนพนยังมีชีวิตอยู่ใว้ล่าพันเเทศหลวงปูออนกับหลวงปูฝันพันเเทศตลอดลุ่งเน้ยบางทีเทศห้พระหายยอมฟังเทศตลอดลุง่ง ยังเพินเพนไปสั่งวัดอุดมสมพรแหลกแหลก เ, เหมือนกันน่ะเทศเลี่ยนกันหลวงปู่ฝันกับหลวงปอโทอเทศจนแก้งเทศภาวนานี่แหละถ้ามาภาวนาให้นั่งสมาธิฟังผู้รังคนกินสงบมันก็นสงบอยู่ทั้งคึืนได้อยู่เด้อ่าก็บถูกบาดถูร่นทุไล่มีความสุกในสมาธิแล้วก็ความสุกในปัญญา บางอย่างมันบกเข่าใจมันคลองใจมันหายสงสัยเนี่ยพันวาข้อมสุขความสุขเกิดจากปัญญามันคลองใจยุมันว่าตกลงลั่งเล่สงสัยแต่ก้อนน้งตาคลองใจเรื่องอานประวัตพิพระเสียเมตไตรผู้ท้เจ้าพาระศสียเมตไตรพันว่ายุคพระเสียเมตไตรเนี่ยอายุแปดหมื่นปี สิบโมีค่นสิบโมีค่อนบาปหมดสิมีแต่คนที่มิสินหาค่นมีถ้ำมิสินหาเกิดอยู่ในระยะนั้นแปดหมื่นปะีส่วงอายุแปดค่อนอายุแปดหมื่นปีกระซ่องใสหลังมันจะไปใสเบิด์สุ่มซุ่มสุ่มบาปมันสิไปอยู่จังไรมันก็สิยังสมมอือมันก็ยังมีอยู่ ขันบ่าวคั้นบุญเกิดมาพร้อมรู้พร้อมเห็นพ้อมประพฤติการกระทําเรียมล่ำํำทำสูงกั น, อ, นอยู่นั่นสิไปยืนจังไลยเนาะสิแมนบอมันสิเป็นไปเลยบอืสสงสัยพี่หน้าอยู่สองปีคุณจังค่อยหายสงสยัยออะบัสิหายสงสัยก็อเห็นว่า สิ่ง่มีค้นบาปมีแต่คน้นมีแต่คนบุญคนมีถ้ำมีศีนหาเมลากาแผ่นดินหาบขึ้นหนาของไส้แผ่นดินมันสิลาอืพื้นโล ก, ลกมันสิลามันงที่ผมีภูเขาเล่าขาผมมีหวย ม, หวนหนมีน้องมาพีอหน้ามันมันมันมาประมว้วนหายสงสัยว่าไอ้คนคนบาปเนี่ย ดวงจิตวิญญาณที่เป็นบาวเนี่ยมันสิระยะนั้นมันจะตกอยู่ในตามพู่มตามกรรมอบายภพม่มต่างๆนันบริมาเกิดอย่างพวกบาปนักกรรมนักอยู่ในนรกตกในนรกถ้าได้ล้านปีถ้าได้กัเถ้าได้กันปี พวกเป็นเปรตเป็นสะดือชานก็เกิดเป็นเปดเป็นอยู่ในเปดก็มีอายุยืนบางยมพวกบางยมพวกกับมยยืนม้ยืดมันก็เกิดอีกนั้นจะเกิดอยู่เปรตสะดือชานอย่างเกิดอจิตวิญญาณนี่จะเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในพุ่งของสะดือฉานคือยัง พวกเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เกิดมาสิบห้าวันยี่สิบวันเขาก็คายกินตายมันกับปฏิสนธิอีกไหมเกิดอยู่ยังเสดยังคอยหายยังคอยหายสงสัยยังค่อยเศร้าคิดเรื่องเรื่องยุคระษีอริยเมตตาเพราะท่านปัญญาบางอย่างที่มันติดมันคอง อยู่ในอารมณ์ในบุญในบาปทิฏจูในเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เรื่างสุขเรื่องทุกข์ทิฏจูในเรื่องโลกกระทำหลงเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับค้อมได้ข้อมมีข้อมเสียไปข้อมวิบัติไปหลงอยู่ใน ความสุขความทุกข์บางทีก็มี่ความสุขกายสุขใจบางทีทุกข์บางทีก็ได้ลาบบางทีก็เสื่อมลาบบางทีก็ได้ยศบางทีก็กเสื่อมยศมันจะเป็นทุกข์อยู่กับวั น, นถ้าฟังไปฟังไปเข้าใจที่พุทธเจ้าแสดงเรื่องโลกกรรมโลกกรรมเมหิ กิตังยศนะคัมปติอโซกังรทธชังแค่มังในมงค้นสามสิบปดฟังไปมาพี่ยันหน้าก็เข้าใจว่าท่านประจำโลกหรือโลกหรือสิ่งที่นี่อยู่ในสมมุดนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเ่เทียมแท้แน่นอนก็เข้าใจเลยก็หายสงสัยหายกังวล บ่ไมีทุกเมื่อเสืีอมเมืม่อลาบเสียมบ่มีทุกหรือบ่บ่กํ า, ากเลิบเมื่อได้มากนี่เสียบ่ทุกเมื่อประสบก็ทุกอมบ่หลงละเริ่องในเมื่อมีความสุขเพราะเข่าใจในธรรมะยัง่าพระธรรม ถ้ำนี่แหะเป็นสิ่งที่สิเป็นที่พึ่งของจิตใจที่มันมีคว่ำรู้ที่อาศัยอาศัยสังขานอาศัยสังขานอาศัยวิ ญ, ญญาณที่รับรู้เป็นค้อมเห็นเป็นอารมณ์อันนั้สิเห็นอันนั้สิรู้อารมณ์ของจิตตามเป็นจริงอันนั้นสิเห็น ชอบค้อมเห็นมันจังจะบอกผิดมันยังจะเห็นถูกที่เมื่อวันเห็นถูกมันจึงเป็นความสุขที่ทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์ใจเนี่ทุกข์เพราะข้อมเห็นผิดเลยพราะเห็นบ่ชอบบ่เห็นบ่บ่เห็นชอบตามความเป็นจริงอจึงเป็นปฏิกิริยาแห่งความทุกข์เกิดแต่มันเห็นชอบ ร่วมลงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเห็นทุกตามเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงตามเป็นจริงเห็นคำว่าไม่ใช่ตัวตนตามเป็นจริงมันจึงหมดอารมณ์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อามความเห็นที่ให้เกิดเป็นความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ มันจึงยอมหลับามความเป็นจริงกรร ม, มะทายาโทรกรร ม, มโยนี้เครื่องสวดเหมือนยางภูทีเป็นเศรษฐีมีความลำรวยมีความสวยมีทรัพย์แต่เวลามันเปลี่ยนแปลงไปเพป่นกบ่เป็นทุกข์ เพราะคนเข้าใจข้อมเป็นจริงของข้อมเปลี่ยนแปลงอย่างงานหน้าทะบินิกเศรษฐีท่นจนท่นจนทรัพย์สมบัติท่นหมดไปเสื่อมไปสุดท้ายส่วนที่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่มีสัทธาแต่ก็ฟังธรรมะมีปัญญาเข้าใจบรรลุ โซดาปฏิผลเป็นพระอริยชนพระอริยเจ้าสันตน้นเชื่อมันในพระรัตนตัยเชื่อมันในกรรมในคำสอนพอนออพุทธเจ้าถวายพระัยซีเพื่อเป็นที่ย่อาศัยของไข่แก้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ยังว่าสร้างวัด นทรมพย์ของตนเองไปติตต่อซื่อสวนของเจ้าเชษสสวนอุทยานของเจ้าเชษเจ้าเชษ์ว่าบอขายไม่จะขายสุดท้ายเห็นว่าเศรษฐีอยากได้เศรษฐีจะเอาสร้างวัดถวายพระพุทธเจา้าเลยว่า เลยว่าทรงเดชว่าร่องใจเศรษฐีไปอาถ้าจะเอาจริงๆเอาท่องมะปูบกขายราคาเท่านั้นเท่านี้เอาท่องค่ำเนี่ยเอาเหรียญท่องค่ำมาปูไปให้เต็มน่ะพื้นที่สวนน่ยจะมดท่องเท่าก็เอาเท่านั้นลหละง <c oughs> ้นาบินนิกเศรษฐี ตั้งไฮบริวานขนท่องเนยออกจากขั้งพราะข้อมเป็นเศรษฐีของค้นสมัยนั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นเศรษฐีเพราะมีท่องมากเลยมีท่องคั้มมากอืพระมหากษัตริย์พระราชาจึงจะประกาศยกฐานั่นดอนศักดิ์ในข้อมเป็นเศรษฐีให้ <c oughs> ส ม, มุดให้เ่าเป็นเศรษฐีเพราะมีท้องมาก คนเอามาว่างๆจนเต็มสุดท้ายเจ้าเศษเห็นเ่าเชษทีเนี่เอาจริงๆติน่นนี่ก็จึงมีสัทธาอนุโมทนาหน้าแค่ประตูเขา่าท่างเขา่าวัดน่ะ เ, เก็บออกซะวันประตูเข่านี่ยแต่ว่าขอซื้อขอให้มีชื่อในในวัดเนี่ยจังว่าวัดเชษตะวัน เ, เป็นปลาของเจ้าเชษ เอาเปียบเอาเปียบเศรษฐีเย <c oughs> ความอยากจะของอนุโมทนาหน่อยหน่อยหนึ่งซื้อใส่แต่เศรษฐีพมมีซื้อผมมีเขาเป็นยังเศรษฐีย่อมเพราะว่าบ่ได้สร้างเอาซื้อเอาเสียงสางบูชาถวายเป็นท่านบูชาพระรัตนตรยนัยเสร้างวัดเสร็จแล้วสร้างเสนาสนะ อูดีวิหารอะอีกพันร่วมพันร่วมะละค่าสับงลงปุ๋ยพันเทศตะเกีร่วมร่วมเป็นคาซื่อที่ดีนั่นหาสิบซี่โกดแล้วก็สางเซนาสนะอีกหาสิบซี่โกด ร่วมเป็นเก้าสิบแปดโกด ร, ร, ร, ร่วมเป็นร้อย 14, 28, 20, ร่วมเป็นร้อยแปดโกดหาสิบสี่สี่สองแปดหาสองสิบร้อยแปดโกด สารซับส่างวัดคังนั้นเซ็จแล้วยังทําบุญทําท่านในนิมนต์พระสงฆ์ไปรับบินทบาทชันวันลาหารอยองค์เพราะพระหลายเดย้เมืองสาวัตถีขั้งพุทธเจ้าตั้งแต่ <c oughs> แต่สากยาวงกับหมื่นองค์แล้วจากเมืองกระบิลพผัดมี่พระเป็นหมื่นแล้วพระอรหันต์เป็นหมืน่น <c oughs> ไอฉันวันละหาร้อยหายมาอยท่มา่ยงนั่นจนแกเถ่ามากทรับสมบัติที่เขายืมไปเขากับบ่ซงที่ทำธุรกิจเขายืมไปกับบ่ซงมากที่ฝังไว้ต่กอนมันม่มีธนาคารฝากต้องใส่ไหาใส่อฝัง ใ, งในพื้นดินไว้ ถูกน้ำ <c oughs> ฟั่งแม่น้ำอัจิรวดีน้ำซ้ออะไรล่งไปทะเลไปเอาเบ่งกอนไ <c oughs> ่แล้วจนเรียกว่าเศรษฐีจนจนซับแต่เ่ราะจนทำเลยทำมายังเต็มเปี่ยมอยู่โสดาโสดาปฏิผล ทำที่มองเห็นอันนิจจังทุกครั้งอนาตาตามเป็นจริงเห็นหาสิบเปอร์เซ็นต์ตู้หาสิบเปอร์เซ็นต์จึงไ่ได้สะทกสถท้านยนสุดท้ายเทวดายุปรตตูบานเห็นว่าเศรษฐีจนจึงมาบอก เทวดายุประตูบานเวลาพระจะเขามาเทวดาต้องลงลงมาอยู่ข้างลาง่างตาพระกลับออกไปจึะกินไปรยชน์ข้างบนเป็นวิมานที่สุ่มประตูบานเป็นมิจฉาทิฐิได้โอกาสบอกเศรษฐีนะนะั่นแหละท่านเศรษฐีท่านมิรธรรมบุญทำทานเห็นบ่อทรัพย์สินเงินทองอาตกวกพ่องจนไป ยุตซะยุตทํำบุญทําท่านซะหมายถือว่าบอกให้เศรษฐียุตปฏิบัติธรรมเพราะการทําบุญทําท่านก็จะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งชําระมัฉริยชาชาระก้อมห่วงแหนความตะนีทีเหนียวเ <c oughs> ทวาดาบอกให้ยุตเศรษฐีบอกว่า ท่านเป็นใข้มาบอกให้เราหยุดทำบุญทำทานอยู่ที่นี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเทวดายู่นี่แหละอาศัยยุ่ซุ่มประตูบ้านท่านเศรษฐีนี่แหละเอาถ่ายังนันท่านเป็นมิตรสาธิฐิท่านไม่ยินดีนนจะฆะการบริจาคท่านกานสรสละให้ท่าน ทันมาย่ประตูบานข้าพเจ้านี่เศรษฐีเป็นเจ้าของประตูบานครับเทวดาสร้าง<ม>ที่ชุมประตูบานอาหนีเทวดาผมมีที่อยู่บาเพราะเจ้าของเขาพะยูนผมมีที่อยู่ึงองไห้ไปหาพ่ะ อ, อินหาสกเทษวราชสกเทวราช พระอินจึงบอกอืเธอลูกไหมว่าเศรษฐีนั่นเป็นผู้มีถ้ำเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ถึงพระรัตนไตถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างแนวแน่ไม่มีความสงสัยในถ้ำในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์หรือเศรษฐีจึง ลท่านหนีจากซุ้มประตูบ้านท่านไม่มีที่ยู่หรอกถ้าหากว่า <c oughs> ไม่ได้ยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นท่านมีทางจะช่วยเศรษฐีได้หรือไม่ทรัพสมบัติที่เขายืมไปไม่ส่งขึ้นต่ให้เขาส่งขึ้นมาที่ถูกน้ำพัดไหลล่งมหาสมุทร ก็ไปตามมาหามา่าขึ้นมาให้เศรษฐีขึ้นมาใส่ข้างของเศรษฐีไว้ย่างเดิมพ่อจะทำได้เทวดาวะถ้าจะทำได้ท่านไปช่วยไปทำช่วยเศรษฐีแล้วก็ไปขอคำโทษเศรษฐีเศรษฐีจะอนุญาตให้อยู่ที่สุ่มประตูบานต่อไปท่านจึงจะมีทีอท่อยู่มีวิมานมีที่อยู่ เทวดาก็เลยไปนั่มรั์สมาขึ้นมาใส่ข้างให้เศรษฐีจึงไปขอคำ ม, มาโทษเศรษฐีเศรษฐีก็ให้ไปขอคำ ม, มาโทษพระพุทธเจ้า <c oughs> ขอคำ ม, มาโทษพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงแสดงรรถ้ำท่านอกถาศีลกถาให้เทวดาฟังจิงเขาเขาใจอีกเทวดาจึงเป็นภูมิศรธาใน พารัตนาตายจึงได้อยู่ที่ประตูบ้านเศรษฐีเอมาเศรษฐีกับป่วยเพราะว่าอายุมากแล้วป่วยนั่นแหละเก็บไขรป่วยแต่ว่าพระโสดาบันนี่ป่วยกัยังมีรับรู้ทุกขวเวทนาอยู่เด๋่จึงให้พันละยาเป็นมิมนุษย์พระเจ้าเขามาโปรดมาแสดงทําให้ฟังในบ้าน ก็พุทธเจ้าพระองค์ก็สงเคราะห์พ่ อ, อนาถาวิดิเกเศรฐีเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้เดี๋ยกว่าเป็นบริวารพอพืติปฏิบัติธรรมมาตามพระ อ, องค์มาน้อมน่านแล้วหลายพบหลายชาติเห็นมาซ า, าสุท้ายนี่ก็เลยสงเคราะห์จนบรรลุถึงธรรมะขันตนพระ อ, องค์ก็มาแสดงธรรมให้ฟังแสดงอานิจจัง ทุกครั้งอนัตตา <c oughs> จิต ม, มีตัวตนกายก็มาเป็นตัวตนสักเพียงเป็นสภาพวัาตะเรียกว่าแสดงอริยสัจสีเป็นการระงับทุกขเวทนาในขณะนั้น <c oughs> จิตของเศรษฐีมีปัญญารู้ความจริง ไม่กลัวตายไม่กลัวเวทนา <c oughs> จึงระงับเวทนาแต่ว่าภูม่มธรรมของเพลินพุ่มจิตของเพลินนั่นเพลินพระอริเจ้าเวียงตนแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อตายสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในสัน ดุสิเตเือน่สันดุสิตเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าพระโสดาบันผูมจิตเดี๋ยวมีความเจริญในสันดุสิตในเวลากลางคืนจึงลงมากาพระุทธเจ้าที่เชตตะวันพระอ น, นุณมองเห็นมาในมาใน่นั่นแหละ มาในรูปที่เป็นอ น, นั tha b ณ d d h i s e ษ t ีนั่นแะสุทัตตสุทัตตเป็นเทวดาสุทัตตเทวดาเอามะกาบทุ่นพุทธเจ้าไลยงานบุญกุศลที่ทำไว้เนี่ยทำท่านมีมดอยู่ใน ซันดูซิดเป็นทิพเป็นสมบัติทิพแต่ว่าส่วนที่ยังบดเออออกําท่านที่เทวดานําขึ้นมาตอนหลังนี่บม่มีนี่เดียวกว่าส่วนที่บ่คคลแต่แปลสภาพก็เป็นวัตถุธาตุในมนุษย์นี่แหะเป็นสมบัติในมนุษย์ส่วนที่ได้แปลสภาพที่ได้นั่มออกทาบุญทําท่าน แปรสภาพไปเป็นของทิพนสันดุสิ์เทวราชพิภพเรียกว่าปัญญาทําบุญทําท่านการปฏิบัติธรรมทาบุญทําท่าน <c oughs> นี่ผู้จะมี ปัญญาเห็นประโยชน์ในการเสียสละใาก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันให้เกิดความเรียมใสจึงสามารถที่ทำท่านได้ริจากท่านได้ที่จะรักษาศีลงดเว้นบาปก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันเห็นโทษเห็นโทษของความ ไม่มีศีลเห็นคุณค่าของการเว้นจากการทำบาปหาย่างโดยเฉพาะอย่างยิงศีลหาเนี่ยชื่อว่าศีลหาทำหาเป็นคู่กันศีลหาทำหาเป็นคู่กันชีวิตของใข้ไข้ก็วหวังแหนใข้ก็รักษา เสีมวนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเมตตาต้องสร้างเมตตาจิตให้เกิดอจึงจะหายอภัยชีวิตถ้าจิตว่ามีเมตตาหรื่าห้อภัยมีม่ถ้าคาเรื่อยไปสุดท้ายจะสมมุติเอาว่าสัตว์อื่นผู้อื่นเขาเกิดมาว่าเป็นอาหารของเล่าใช่ไหมว่าจะไปสมมติเอาเพราะเจอของว่ามีเมตตา ว่าเกิดเมตตาว่เมตตาตนแล้วก็บ่เมตตาสัตว์บุมี่เมตตาตนกับบุญมีเมตตาผู้อื่นกับบุญมี่จะไปคิดว่าเขาสัตว์โลกเล่านี่ปูปลาหน้าน้ำหมูเห็ดเป็ดไก่เขาเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์อาหารของเราแหละบัดเขาเสียอ้อยจะของไว้เป็นอาหารเขานี่นี่ในหนอยก็บว่าใดอยู่ล่ะยังโยงมินมากัด ท่านดูปเปลียดนิดน้อยเป็นอาหารเขาตบเขาแปล้งรดเนี่ยอย่าบอกไมีเมตตาอย่าบอมีเมตตากัให้อาภัยชีวิตบ่ได้แต่จริงว่าเป็นศีลว่าเป็นธรรมถ้ามีเมตตาก็เป็นธรรมก็เป็นศีลได้บอกขาดบอกทำร้ายสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะแล้วก็ <C oughs> อาทิตหน้าท่านอันลักการขโมยการเบียดบังเบียดแย่งเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นจะหาว่าผมมิทำมาในการมองเห็นการเลี้ยงชีพที่ให้มีคุณนค่ามีประโยชน์ก็จะไม่เกิดเมตตาเมื่อไม่เกิดเมตตาก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปลัก ไปถือเอาของผู้อื่นได้นี่ไม่มีไม่มีศีลก็ไม่มีถ้ำไม่มีถ้ำก็ไม่มีศีลแต่มีศีลมีถ้ำจริงจะเป็นความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในถ้ำถาเมสุ ม, มิเชตตาเมสุ ม, มิช้าจานถ้าไม่มี ธรรมคือการว่าสมมติฐาความสมร่วมความสมร่วมจิตที่ให้รู้ประมาณในการบริโภคการมกมคุ้นหาอรูปเสียงกินรถโพธทภานก็ไม่รู้ประมาณไม่รู้ประมาณไมก่ก็ไม่รู้ในส่วนที่เป็นสมบัติของตนเองก็ไปล่ำปลามสมบัติของผู้อื่น ก็ไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมถ้ามีความสาร่วมรู้โทษรู้คุณรู้ขอบเขตก็มีสมบัติกรรมมาคุณก็มีสมบัติของตนเองสามีภรรยาผู้ค้องของตนเองแล้วก็รูปประมาณ รูประมาณมีธรรมะคือความรู้ประมาณว่าหลงไหลไปจนเลื่อยขอบเลื่อยเขตออกนอกขอบนอกเขตไปนี่เรียกว่ามีศีลมีธรรมก็ก็กมีเมตตาเหมือนกันต้องประกอบด้วยเมตตามอนกันทาไมมีเมตตากสามารถที่จะคมเหงล่ร่างแก่เบียดเบียนผู้อื่นได้สัตย์อื่นได้ ร่วงเกินนำจิตนำใจของผู้อื่นชาติอื่นได้ต้องมีกามเมสุมิชฌาจารย์นีกามสัมมาตากิเลสมันบ่ได้มีขอเคดอกต้องเอาท้ำเขาไปควบพุ่มมันก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันอาศัยพียนา้าเห็นโทษเห็นภัย สีมุสาวาสัจจะเป็คู่กันสัจจะว่าจ่าเป็นธรรมุสาวาถ้าเว ร, รมานี่เป็นศรรีลเรียกว่าเวน่นเวน่นคอที่พุทธเจ้าให้เวน่นเป็นศรรีลมิเมตตาเป็นถรร้อ มีเมตตามีความจริงใจมีสัจวาจาเป็นธรรมข้อที่หานีเจตนานี่ปัญญาเห็นโทษของความเมื่อเม้าแล้วก็เมตตาตนเมตตาเจ้าของจึงจะไม่ร่วงเกิน เสียนที่บอกไปว่าไม่คว่นดื่มกินเครื่องดองของเมาเห็นสิ่งที่จะบริโภคจะดื่มกินนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษแล้วก็สงสารตนเองเมื่อเกิดโทษขึ้นมาเป็นความทุกข์เป็นความมมวเมาเป็นข้อไม่ปกติ จึงร่วมว่าท่ำคือเมตตาเป็นเป็นการที่จะทําให้ศีลการเว้นจากบาจากโทษสมบูรณ์บริบูรณ์จึงร่วมเขามาเป็นสติสมาธิปัญญาจึงจะเป็นเมตตาแท้เมตตาตนเมตตาสัตว์ เมื่อคิดเนี่มีเมตตาสมบูรณ์บริบูรณ์ในคิดน่ยจึงว่าจึงเป็นข้อมสุขเป็นความสุขของจิตใจสุขโดยเมตตาถ้ามีพยาบาทที่เป็นอกุศลพยาบาทเกิดขึ้นก็เป็นทุกร้อนมีโทษสะมีโลภะเป็นอารมณ์ของจิต ร่ำโลดย่อดามากๆเยเยอเทา ย, ย่านใจกับผมมีข้องสุขนี่จะว่ามีแต่ธ ร, รรมะธรรมะเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ปัจจัยกีไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เขาไม่ใช่น้ำไม่ใช่ พาพรทันสบายไม่ใส่เงื่อนทองของใส่ไม่ใส่เลื่อนซ่านบ้านช่องไม่ใส่ยารักษาโรคคุณธรรมของจิตเนี่ยปัญญาที่เกิดใ น, ดนจิตทวนทั้งหลายมุน่มันเป็นสมมุิเป็นวัตถุไปหมดถ้ามันมีปัญญามันกกิดไปหลงไปหลงให้ความสำคัญ กั บ, บวัตถุเรานั้นซึ่งเป็นความรู้ความเห็นที่ไม่ตรงเป้าหมายไม่ตรงเหตุตรงผลอันแท้จริงเมือ่อมาปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาให้ท่านรักษาศีลภาวนาเที่ยนเพ่งพิจารนาเขามาหาจิตใจของเจ้าของทำให้ปัญญาความเห็นชอบรู้ชอบดำรีชอบเกิดขึ้นได้นี่ แันมันจึงคอยนํำทุกทั้งหลายออกนํำความหลงทั้งหลายออกไปจึงเป็นความรู้ในจิตจึงเป็นศีลในจิตเป็นสมาธิในจิตเป็นปัญญาในจิตจึง่าเป็นร้ำคุ้มคล้องเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอันยิ่งคือ สติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นให้พินิจพิจารณาปฏิบัติธรรมนะรรมาทรทำนี่ก็คือความความเป็นจริงของสภาวะต่างๆที่ว่าอ น, นิี้จังไม่เที่ยงนะีน่กะ็เป็นสภาวะความจริง ทุกขังท่านอยู่ได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นสภาวายังันจริงๆนี่แหละร่วมธรรมะแปดหมื่นสีพันพัทธมฆันที่เป็นพระสูตรพระวินัยที่เป็นสัจจะความจริงอันนี้จังทุกขั้งอนัตตาร่วมล่งสู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาร่วมล่งสู้ไตหลักในมด เมื่อมารู้มาเห็นไตรักตามเป็นจริงจึงได้ชื่อว่าแจมแจ้งนี่ปัญญาแจมแจ้งสามารถที่จะถอนอุปทานก้มไปหลงตัวหลงตนหลงดีหลงชั่วหลงบาปหลงบุญทั้งหลายได้ปัญญาว่าจิตอยู่เหนือบุญเหนือบาปอยู่เหนือสมมุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นจิตบริสุทธิ์ เป็นรูบริสุทธิ์รูไม่หลงสมุดแต่มันยังหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นเล่าเป็นเขาเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญโยูเน่เรียกว่ายังไม่เหนื้อยังไม่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆยังไม่เป็นธาตุรูอันแท้จริง ปฏิบัติเพื่อเขาไปถึงความกิงอันนั้นจึงต้องให้ท่านไปเรื่อยรักษาศีลไปเรื่อยๆเเรืญเมตตาภาวนาไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยมันมีหยาบมีละเอียดเป็นจัง สมมุิระดับของผู้เข้าถึงกระแสรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะแสดงท่านแสดงอนิสงส์แสดงโทษโทษของความไม่มีท่านไม่มีความเสียสละคุณของความเป็นผู้มีท่านนะ โทษของข้อมันมีศีลคุ้นของข้อมิศีนนี่แสดงท่านศีลสวรรค์คุ้นของสวรรค์โทษของตามมคุ้นที่หลงไหลไฟฝันที่สัตว์หรือจิตกับวิญญาณทั้งหลายที่หลงทิฏฐิอยู่ในตามมาพบนี่ ให้การมาพบพบของกรรมคือพบของรูปเสียงกินรสผพสะพะเนี่ยติดอยู่ในรูปในเสียงในกินในรสในกิเลสเรียกว่ากิเลสกามในวัตถุกามสิ่งที่มาสนองวัตถุเงื่อนท่องเขาของทั้งหลาย เปนท่านเรียกว่าวัตถุกรรมวัสดุกามจิตนี่ไม่ไม่เป็นกามจิตใจนี่ไม่เป็นกามวัสดุทั้งหลายดินนำ้ำไฟร่มรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เป็นกรรมถ้าตามโดยธรรมาชาติเขาแล้วของเขาเป็นของเขาอย่างนั้น ความเป็นกามคือใจนี่มาหลงมาหลงสมมุติหลงหยึดว่าสิ่งเรานี่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขตามความอยากความปรารถนาของตนเองจึงจึงเป็นกามจึงเป็นเหตุให้เกิดโทษเมื่อหลง โอ้ยบอลูเสียงว่าเป็นสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปไม่รู้กินไม่รู้รสไม่รู้รูนี่รูปเสียงกินรสพัศไม่รู้การสัมผัสเป็นเพียงสภาพะวะที่สัมผัสด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับ ข้อมเขาหลงข้อมเขาไปหลงยึดหลงติดสำคัญมั่นหมายเลียวยึดติดอยู่เนี่ย <c oughs> เั็น จ, จังว่าเป็นกามติดอยู่ในรูปเสียงกินรสในวัสดุกามวัสดุกามอันนี้เรียกว่าเป็นกามราคะความติดอยู่ใน อาการแหง้งความสุขความสบายที่ประกอบด้วยรูปยังมีนิมิต ด, ด้วยรูปอยู่นั่นเป็นรูปประาคะความติดยูในสภาวะที่ไม่มีตัวตนแต่ไม่ความ สุขความพ่อใจอยูดด้วยใจอ น, นั้นเป็นอรูปภราคาเมาื่อรูเท่าทั้งราคาอรูปพราคาอรูปราค า, า ร, ร, าคารูเท่าท่านในความสุขที่สัมผัสกับรูรูเท่าท่านในความสุขที่มีเฉพาะ ใจที่ยังประกอบด้วยสัญญาวิญญาณรูความสุขที่ไม่ประกอบด้วยสัญญาวิญญาณแท่เป็นสภาพวะรูอที่พันแยกอาการที่ว่ายึดติดในย่านในชานความสุขในชานในสมาบัติอันนั้นก็ยังเป็นยังเป็นสมมูลอยู่ยังต้องเลย ยังเสื่อมอยู่ยังกับกอกหลอกหลอนอยู่ตอเมื่อว่างทั้งหมดนั่นไม่ติดไม่หลงทั้งหมดจึงถอนธรรมชาติรู้คือใจนี่ออกมาเป็นตัวของตัวเองเฉพาะตัวเป็นอิสระนั่นจึงหมดเชื่อที่จะให้เกิดทุกข์ต่อไป ปฏิบัติธรรมมามันเข่ามาแท้ๆมันไม่มีตัวไม่ตนเป็นน้าเป็นอาการของน้ำเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันก็มีเครื่องมือเครื่องมือก็คืองกายกับใจของเรานี่แหละ กายกับใจที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติมาก่อนเป็นกันกองในส่วนสมุิในส่วนส่วนหย่ามาก็ตั้งท่านเป็นเป็นถ้ำเบื้องต้นฐานะคือการหายยาคะเสียสระสระหายท่าน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมตตากันจะร่วามคำว่าเมตตาเมตตาจิตศีลละสังวอนสังวอนไม่ทำกายว่าจะและเก็กจิตใจสังวอนไม่นึกคิดอกุศลถึงว่าให้บริกรรมส่วนที่เป็นกุศลเวลลาภาวนา วันหน้าเพิ่งจะละลึกถึงความดีที่ตนในกะระทําเป็นอารมณ์หรือระลึกถึงศีลที่ตนรักษาดีแล้วปฏิบัติบดางพ่อยไม่ขาดว่าขาดตอนนี่ศีลจึงจะคุ้มค้องได้สังวรแล้วก็ อารมณ์เป็นเครื่องแก่กันผู้มีจริตโกรธโทษสะมันจึงให้จเจริญเมตตาจะเป็นเมตตาเป็นอารมณ์รลึกถึงเขาถึงเราถึงบุบบคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นอกเห็นใจเขาเห็นอกเห็นใจเรา นี่วิธีจเจริญเมตตาคือกำหนดรูไม่ใช่ว่าสเพสตาก้าแต่ค่ำให้มเมตตาเฉยๆต้องกำหนดรูในจิตวิธีจเจริญเมตตาแก่พยาบาทแก้โทษสะเขาข้อมพยาบาทข้อมผูกพยาบาทผูกโกรธผูกเวน้น ถ้าหากว่าจิตเป็นเมตตาขึ้นมาเมื่อใดอสติสมาธิประชุมลงในเมตตาคิตนี่อ่อนิใจเห้านี่อ่อนละมุ่นละไมนีม่เพิ่งยังว่าเมตตานี่เยือกเย็นอจิตเมตตาเยือกเย็นได้ตนเองในจิดของตนเองก็เยือกเย็นที่ผู้ใดยุ่ใกล้ กระแสจิตที่ไม่เมตตาก็เยือกเย็นไปด้วยเหมือ น, นยังพวกเล่าไปกล่าวประวยัยคูบาอาจารย์ที่มันมีเมตตาจิตเข้าไปลอนลนจิตใจของเขาลอนลนวุ่นวายเข้าไปก็ใกล้แค่นั้นแหละหรือบางที่จะเพี้ยงจะยิ้นกระแสเสียงเหมือ น, นยางองหลวงปูฝันแต่ก่อนอมันก็จะสอนพุทธโธพุทโธ พุโทโธรู้ใจพุโทโธสบายสบายใจเข้าก็สบายเพลินได้รับเมตตาจากกระแสจิตของเพลินได้รับเมตตาจากกระแสเสียงถ้ำของเพลินใจเข้าก็เย็นเหล่าร้อนเย็นลงได้จิตเนี่ยมันเล่าร้อนเล่าร้อนด้วยโทสะเล่าร้อนด้วย พาบาทคือโลภะหรือโทสะพาบาทโลภะโลภอยากได้มากๆเล่าร่อนเพราะราคะความกำหนัดยินดีพ่อใจในรูปเสียงกินหลดุดร่อนใจนี่มันกระเสือกกระสนมันบ่มีบม่บมีที่สบาย ถ้าหาว่ามันถูกโลภะโทษสะโมหะขอบงำหาหะราคะกับโลภนั่นแหละสามพันยังแยกอาการอากุศลมูลขคณะกิจที่มันเป็นอากุศลคณะกิจที่ปติทิหลงไหลอยู่กับ ความอยากในกิเลสกามวัตถุกามก็ จ, จัดเป็นควอมโลกรจัดเป็นโมหะร่วมกันเกิดค้มเรารอนกับเป็นโทษสะเป็นโทษสะเป็นโกธะเป็นควอมโกรธ จะชำระลบร่างอากุศลกิตเราเนี่ยจะชำระล้างด้วยนะด้วยเมตตาด้วยเมตตาด้วยศีลด้วยสมาทิโด้วยปัญญาที่ให้เกิดเมตตาขึ้นในกิจนี่เพราะฉะนั้น รูจลิดของตนเองถ้าเล่าเป็นผู้มีจลิตโทษสะเกิดโทษสะเล้วใจข้อมแข็งกระด้างในจิตเล่ว้วต้องมันเจริญเมตา <c oughs> ตากำหนดอนาปานสติกำหนดล่มหายใจเป็นอารมณ์แล้วก็พิยรณาในเมตตา ความเมตตาเป็นยังไงจึงว่าเมตตาค้อมปัธนาดีค้อมปัถนาจะใครเป็นสุขมีความสุขตนเองและผู้อื่นต้องการข้อมสุขข้อมสบายค้อมเป็นอิสระพิจารณนาถันจึงมีบทคัมว่าที่ห้าแพรเมตต า, าสังหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิ จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดน่เป็นข้ามนำํำให้กำหนดพิจารณาการเบียดเบียนกันมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นความสุขการที่ลืมตนลืมจิตลืมใจลืมกายลืมใจเจ้าของว่ายให้มันทะเลถลายไปตามอารมณ์ของกิเลสความอยากของความหลงเกิดขึ้นนันเป็นทุกข์นี่ ใจของเรา่าม่อตกไปในอำนาจของความโกรธมันกระลำรู้ความทุกข์ความร้อนทั้งทางที่มันไม่ได้โกรธมันไม่ได้โลภยังไงใจแต่มันตกไปในอำนาจของความโกรธความโลภเพราะไม่มีสติเป็นท่ำเครื่องคุ้มกันไม่มีปัญญาความรู้รอบรู้ในตัวเอง เพราะฉนจึจเจริญสติจเจริญศีลจเจริญปัญญาจเจริญเมตตาด้วยความเพียรเพ่งพินิษพิจารณาเมื่อสติมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันแล้วลึกลู่อยู่ในเรื่องเมตตาที่พิจารณาโยนก็เรียกว่าร่วมลงไปจิตเป็นสมาธินี่เรียกว่าเป็นสมาธิด้วยการจเจริญเมตตา ขันมันร่วมลวงเป็นสมาธิมันกัเป็นเมตตาในจิตมันจะมองเห็นโทษรู้ถึงโทษความว่ามีเมตตาความฟุ้งซ่านของจิตเห็นคุณค่าของชีวิตจิตใจของเขาของเล่าอ่อนนิ่มนวลเป็นยางว่าเมตตาในนิ่มนวน่นจะหาวัตถุสิ่งใดมา เรียบเทียบไม่มดหรอกเรียบเทียบไม่ได้จะไปกำหนดเอาว่าควัหรือละอองก้อนเมฆหรือซัมฤเป็นของอ่อนนิ่มนวลมันก็ไม่เหมือนควอมอ่อนนิ่มนวลในจิตของห้อที่เป็นเมตตาเนี่ยพูดยังว่าเมตตานี่มันอ่อนนิ่มนวลมันเยือกเย็นครอบโลกกระทาพูดยังว่าครอบโลกสาม คือขอบในคิตของตนเองขอบในสภาพแวะแห่งข้อมลู่ของห้องเองนีข่ข้อมสุขตนเองกับนี่ข้อมสุกที่นี่กระแสแห้งแม่ตาเนี่ยออกไปกับทํามไปจิตใจที่สามารถรับลู่กันได้ั็มีข้อมสุขด้วยรับลู่ด้วยกระแส กิรับรู้ด้วยกิริยากิจที่นี่เมีตาสอไปทังกายกิริยาแห่งเมตตาจะเยือกเย็นเนี่ยจะเล่นจะเล่นเมตตาเพราะว่าหน้าเมตตาแก่ <c oughs> จะลิศแก่โทษะจะลิศโมหะจะลิราคะจะลิศ ให้รู้ภาวการภาวนาเข้าปฏิบัติธรรมอันดับแรกก็เรียกว่าเจริญสตินี่ที่ภาวนาบริกรรมพุทธโธหายใจเขา้าหายใจออกก็ดีเป็นการอบรมบ่มให้สติสัมปชัญญะให้สติระลึกรู้จนเป็นสัมปชัญญารู้ตัวความรู้ ข้อมเห็นทั้งหลายร่วมเขาสู้ใจไม่ฟุ่งออกข้างนอกร่วมอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดไว้นั่นจะเป็นจะเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเกิดขึ้นในจิตเป็นความลูกข้อมเห็นสิ่งที่แปรปวนที่เป็นวัตถุหรือเป็นน้ำ เป็นน้าก็คือเป็นเป็นเครื่องสัมผัสกับใจน่ะน้ำถ้ำรูปประถ้ำคือรู ป, ปร่างกายอาการสาสองน้ำถ้รประเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นมันไม่เป็นตัวตนมันเป็นข้อนึกคิดปรุงแตง่งเขาทุกพอข้อนึกคิดปรุงแต่งมันนึกคิดปรุงแต่งไปมากๆแห้แห่แห้งแห่แหลวงปูญญ่ใหญ่หลงปูญญ่บุญจันทร์เป็นเทศ ส, สอน แหนแห่แหนแห่ผูกศอกแต่ขึ้นหลังพคนแบบเขาสั right uhm ่งเขาวาเขาปลาผ้าโซนคือหลงสำคัญหลงความนึกความคิดพี่จะคิดไปเรื่อยส่งไปเรื่อยคิดจะให้มันมีความสุขคิดจะให้มันได้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งปุงยิ่งปุงยิ่งฟุ่งไม่มีทางสาเร็จได้พอเมื่อรู้เท่าท่านกําหนดเขามาก หาผรู้หาใจปัจจุบันถึงพร้อมด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะบเกิดขึ้นมา จ, จึงเรียกว่าสมาธิความมั่นคงของใจในปัจจุบันจึงเรียกว่าปัญญารอบรู้ในจิตไปชุ่มกันสติสมาธิปัญญาระชุ่มลงในความรู้ในใจนั่นเึงจะมีความสุข มีความตั้งมั่นเกิดขึ้น <c oughs> มีฝึกสติฝึกศีลอบรมจิตให้มีศีลในกิดแลก็มีศีลทั้งกายมีศีลทั้งวาจาถึมมีศีลทั้งใจเพราะศีลเขาถึงใจคือสตินั่นละ่ะ <c oughs> คุมห้องใจีนี่ก็ปัญญาฝึกภาวนา ปัญญาจะเริ่อนปัญญาเรีกวจะเริ่นวิปัสสนาศีลก็เป็นศีลในคันที่กิตม่สติสมบูรณ์เป็นศีลไม่พัมเผอไม่ลืมตัวแี่ก็เป็นสมาธิในวิถีศีล ส, สมาธิ ยังก็จเจริญปัญญาวิถีปัญญาวิปัสนาเพราะว่านี่ถ้ำมันมีสามขันเรียกว่าขันของศีลของสมาธิปัญญาที่มักแปดมักไม่องแปดร่วมลงแต่แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสติสมาธิปัญญานีามาญญา่มีเท่านั้นถ้ำที่จะนําออกจากความลุ่มหลงทั้งหลายได้อยู่สาม อยย่สามอาการเมื่อเจริญสติสมบูรณ์เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วสมาธิก็สมบูรณ์ที่นี่ฝึกฝ <c oughs> ึกภาวนาการพิจารณาก็ฝึกไปด้วยกันนั่นแหละในขณะที่คิดของเราซ่องออกมะลุเรื่องอะไรนี่เป็นการ ที่จะต้องใส่ปัญญารู้เหตุรู้ผลรูล้คุ้นรู้โทษรู้ประโยชน์ของการพิจารณาการนึกคิดแ น, นั่นเรียกว่าภาวนาที่ที่จะให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งท้อาศัยสังขารเหมือนกันอาศัย ส, สังขารก็อนึกคิดปรุงแต่งเหมือนกัน ใสัยสัญญาความรับรู้จำได้หมายรูเหมือนกันแต่มาหมายรูในรูปเสียงกินลดมาหมายรูในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณใคขคอ้นเข้าไปกำหนดรู ว, วิจัย ว, วิจารหาเหตุหาผลนี่เป็นการ เป็นการอบรมมักเป็นการเจริมมักเป็นการเจริญปัญญาครอบคุ้มอยู่ด้วยสติสมาธิการพาิจารณาการใส่สังขารปรุงแตง่งเส้นเล่าปรุงแต่งเพื่อจะให้รูปความจริงได้สังขารรูปร่างกายประกอบด้วยธาตุ สมุดถาดประกอบด้วยถาดร่วมขึ้นสู้ความเป็นรูปแล้วก็แปรปวนเกิดสินมาดว่าแกเถ่าสล่าสุดท้ายก็ยกัยกย์ใหญ่จากกันเรียกว่าตายเนี่อาศัยสังขารทั้งนั้นละ่ะอาศัยข้อมนึกควอมคิดแต่ว่านึกคิดด้วยสติที่สมบูรณ์สมาธิที่มันคง แล้วยิงจะเกิดเป็นญาณเป็นปัญญาญาณปัญญาญาณความรูพความเห็นในสภาวะธรรมทั้งหลายนี่ตามเป็นจริงนั่นมันจึงว่างอุปทานที่เคยยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตัวเป็นตนดียังนั่นสุขย่างนี่เมืนน่อญาณนทธสนาคือปัญญาญาณ เป็นแสงสว่างทำร่ายควา ม, มืดความหลงพิษเ ด, ดวะทอดทุละหายสงสัยเมื่อย่านคึ้คข้อรู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตในผู้ลู่ลูเฮานี่แหละอันมันจริงอันจริงบมีมันจริงบ่เด็สสำคัญมันหมายมี่สุขมีทุก ว่าได้สำคัญมันหมายว่ามี่ความดีความสุขความทุกข์กับรูปกับเสียงกับกินกับรถกับการถูกต้องสัมผัสกับความกับอารมณ์ที่เป็นสุขเขเวทนาทุกข์เขเวทนามันจึงปล่อยว่างหมดด้วย ปัญญาญาณญาณนัทธ น, นาคือความเห็นด้วยปัญญา อ, อันแจ่มแจ้งอันนี้มั น, นอันนี้มันเป็นผลอา่ามันเป็นผลถ้าจะพูดสมมติตามอา่าการปฏิบัติเพีเดียวมันเป็นผลการที่เข้ากาหนดที่เข้าใส่สังขารใส่ความนื้ความคิดใส่ความรูกำหนดรู นั่นเรียก ว, ว่ามักเป็นว่าเดินมักจเจริญมักนี่ข้ามที่เป็นว่ามักผลถ้ามันเกิดรูว่างทิมสมมุิทั้งหลายล่ะเป็นวิมุดคือเป็นความวรูยุสาอตัวนั่นนั่นมันเป็นผล คนนี่ว่าต้องว่าทองว่าต้องปฏิบัติว่าต้องได้ธรรมมันเป็นมันเกิดจากมัดจากเกิดจากการกำหนดการพิจารณาการใช้สติสมาธิและปัญญาให้ละเอียดเข้าไป <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมจะมีอยู่ สามเรียกว่าปฏิบัติศีลคือปฏิบัติสติฝึกสติมันตั้งมันกำหนดรูรูตัวรูปัจจุบันรู ก, กายรูจิตรูนอกคือรู ก, กายขันนอกออกไปกรูกายผู้อื่นหรือรูธาต น, นอกออกไปจาก ร่างกายของเราแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ขอบเขตเพื่อให้รู้กายของตนรู้ธาตุในกายของเราดินน้ำไฟล่มอยู่ในกายพอมันหลงกายหลงรู้แล้วมันก็หลงน้ำหลงน้ำคือหลงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเวทนา เป็นน้ำหรือเฉยเฉยนี่ว่าให้มีสติกำหนดรูปรูปรูนา้ารูน้มกายใจของตนเองด้วยความตั้งมัน่นสมาธิตั้งใจมัน่นอาศัยการตั้งใจมั่นซะกอนในเบื้องตน้นควบคู่กับสติที่ระลึกรู้ให้ต่อเนื่องกำหนด สังมันคงในการรู้กายรู้จิตรู้ล่ลมเข่าล่มออกจุดใดจุดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ก็จะเกิดสติมันคงสมบูรณ์ขึ้นมาในจิตในใจที่รู้ๆูนี่แหละแล้วก็จะเป็นความมันคงของความรู้ๆ้ข อ, องใจ ความคิดเนี่ยที่นึกคิดนึกคิดอย่างเดียวมันคงขึงแม้ก็ปัญญาก็เจริญที่นิดพิจารณาแยกเหตุแยกผลจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วความหนักความน่ ว, มนวงความทุกข์ความร้อนที่เคยมีในจิตในใจ ความหยุดตัวถือตนความดินล้นเพราะสิ่งนั่นสิ่งนี่มันจะหมดหายความดินลน้นหายความอยากที่ว่าอยากถ้าเยอถ้ายานนั่นจะเป็นปกติในจิตเป็นอย่างว่าถอนถอนตัณหาคือถอนความอยากลบล้างอาการแห่งความอยากออกจากจิตใจด้วย อำนาจของมักคือสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญานี่จึงจะพ่นเว้นพ่นไพ่จึงจะนอนนอกนอนใจได้จึงจะสิ้นสุดการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามข้อสอนของพุธทธเจ้าธรรมที่สุดแห่งทุกโดยชอบหรือประพฤติจบพมจันท ร, ร คำว่าจบพมมาจันที่จบการที่จะต้องมาฝึกมาหัดว่ารักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนานี่แหละเหมือนดัง ก, กับสอบสั้นต่างๆกันต้องขยันอ่านหนังสือค้นคว้าเมื่อสอบได้ผ่านแล้วเขาว่าผ่านแล้วมันก็ยุดก็ต้องยุดการค้นการคว้า เพราะว่ามันมีความลู้อยู่ภายในสติปัญญาของตนเองแล้วก็ต้องไปค้นคว้าซิอันนี้ก็เหมือนกันใจเป็นที่บรรจุความลู้และความหลงเมื่อสร้างความลู้ให้เกิดด้วยข้อปฏิบัติด้วยสติสมาธิปัญญาที่ทำให้มาก จะเลื่อให้มากเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> นั่นแหละจริงทํำให้เซ็ตงานการที่จะต้องมาทนทุกทรมานอีกต่อไปในโลกสามมันนี่กามมาโลกลูกประโลกอรูปประโลกผมมาเกิดในโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกนรกโลกอสุรกายโลกเปรต โลกเทวดาแต่ว่าดึงดูสิตายา ม, ามย้าโรคพมจบที่ว่าจบโลกสามจบวัฏฏะสามเดียดธรรมชาติใจที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นแหะ บ่ย่างสันนันทุกอยู่นี่แหละพูดถึงคันของพวกเราทุกยากันอยู่นี่ไผ่สิถ้ำธุรกิจการงานนั่นได้กัทุกยากกั น, ยนยอน ย, กกนยนู่นี่แหะวุ่นวายกันอยู่นี่เพราะโลกนี้มันเป็นโลกวุ่นบ่มีดอกสิบ่าหายวุ่นวายถ้ำธุรกิจการข่าการขายการบ้านการเมืองอั้นได้ก็ตามเพราว่า จริงที่มันวุ่นมันอยู่ในจิตในใจของเขานี่มันบ่มันโลกวุ่นมันบ่มันแผ่นดินวุ่นมันบ่มันต้นไม้ใบหญ้าผู้เขาลอกกาวุ่นเขาก็ได้วุ่นในอย่างมันวุ่นอยู่ในจิตในสังขารนี่แหละที่มันเป็นตัววุ่นอยู่นี่มันจึงวุ่นอยู่ประจบประสิ่นมันจึงเป็นสมุติ บุญอยู่ในความสุขความทุกข์มันเก่บกงบ่พบความบ่เห็นความทุกข์อันแท้จริงก็บพบความสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นว่าปฏิบัติสร้างสติปัญญาให้มันเห็นให้มันเห็นทุกข์อันแท้จริงที่นี่ในอริยสัจธรรมทั้งสี พระเจ้าจึงสอนว่าทุกควรกําหนดรูกำหนดรูมันเห็นทุกอันแท้จริงว่าอันใดเป็นทุกแท้แท้คําว่าทุกขั้งทุกขังอันนิจจังอนัตตาอีกอย่างมันเป็นทุกขังอันใดมันเป็นอันนิจจังอันใดมันเป็นอนัตตานี่เป็นคําสมมติทั้งนั้นแหละคําว่าทุกขั้งคําว่าอนิจจังอนัตตาเป็นคําสมมุติ แต่ว่ามันจริงสมมุตเิเมื่อไม่ทุกขังไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาอันนั้นก็เป็นความจริงของสัจธรรมที่พระุทธเจ้าสอนให้กาหนดลูกทุกทุกขันกำหนดลูกสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากให้ละ มันละว่าได้ถ้าไม่อาศัยมักคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสติสมาธิปัญญามันละสมุทัยว่ได้จะละได้ต้องจเจริอนอะไรจึงต้องภาวนาจึงต้องภาวนาจึงต้องสร้างสติสมาธิปัญญาอยู่ในทุกขอิริยาบถ ไม่มีการเวลาในคุณของบะธรรมท่านทึงว่าอาการิโกโมไฮอ้างการดังเวลาจอลงไปเลยเป็นปัจจุบันปัจจุบันฝึกสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวรู้ปัจจุบันปัจจุบันยังสัน้นมันยังไม่เสร็จธรรมะยังจะเจริญสติยงังจะสมบูรณ สมาธิยังจะมันคงปัญญายังจะเสียบแหลมบต้องอ่านยุ่เรื่อยๆต้องค้นคิดยุ่เรื่อยๆในโลกกิยาปัญญาที่พวกเท่าศึกษาเราเรียนกระทำกันโลกพุตระปัญญาเหมือนกันก็ต้องอาศัยการ ค้นขั้วพินิษพิจารณาวิจัยวิจารณ์จอคณะกิจมันท่านทุกคณะกิตทุกคณะสังขารคิดตั้งผู้นึกคิดมันจะนึกคิดอะไรขึ้นว่ามันรู้มันนึกคิดเป็นธรรมนึกคิดให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงมันจะปรุงแต่งอะไรสังขารให้มันปรุงแต่งตามความเป็นจริง บบนี่เมาลูสังขารตามเป็นจริงลูกก่จิตตามเป็นจริงลูอ่อ น, นิจจังตามเป็นจริงทุกขังตามเป็นจริงเหรอเนี่ยมันเป็นความจริงเอง enfin แต่ละยางละยางก็เป็นความจริงผู้ไปลู่สังขารลูวิญญาณลู่อ น, นิจจังทุกขังหน้าตาคือใจของเขามก็จริงของใจ จงว่าเป็นธรรมของไข่ของมันนี่การฝึกการฝึกปัญญาเนี่ะเป็นสิ่งเป็นประตูสุดท้ายไม่ประมาทให้ได้ปัญญาทุกขณะจิตทุกสิ่งที่สัมผัสตาเห็น ให้ประสุม m ลงสู้ความรูเห็นว่ามันเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเสียงสัมผัสเขาวา่าทั้งหูประสุ้มปัญญาลงให้รู้เข้าใจมันไม่ใช่ตัวตนสัตว์ทุกคนนี่อายตนะเป็นประตูสัมผัสสมมุต สมุดลูกสมุติเสียงสมมุติกลิ่นสมุดสมุติรสชาติสมมุติสัมผัสสมมุติอารมณ์เนี่ยมันเป็นสมมุติทั้งหมดแหละอาการเราแต่ถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงก็ไปเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ติดอยู่ติดอยู่ในความเป็นตนเป็นตนเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นเชื่อให้หมุนเวียนเกิดดับเกิดดับ เกิดดับเกิดดับเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่่ามีทางจบสิน้นสติตั้งใจรู้ปัจจุบันสมาธิให้มันคงปัญญาวิจัยวิจาร หเห็นสุกทุกหเห็นลูกหเห็นน้ำเ ห, ห็นภายในเห็นภายนอกอชัด ต, ตังวาพระหิตาวาเห็นธรรมภายในภ า, า, ายในกายในจิตเห็นธรรมภายนอกคือกายผู้อื่นจิตผู้อื่นหรือสภาวะาภายนอกที่มันเป็นไป ท่านเมื่อเข้าใจสุ่มรูเห็นล่งพังคณะจิตเดียวแล้วหายทุกภัยโศภายโกายลกภัยไพห ย, ยุดพบหยุดชาตหยุดเกือแจ่แ็บตายโดยรรมคือปัญญาถรร้ะสุดยอด แลด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทํบ่บบำเพ็ญมากก็ให้กระทําบบำเพ็ญต่อไปด้วยความเพียรจะไปหลงอย่หลงสังขานยะหลงกิเลสมันจะบอกให้ยุดให้ทํามมันจะเอาวิชาของมันมากให้ศึกษา่าไปหลงเชื่อมัน ยึดมันในวิชาของพระพุทธเจ้าคมหัวมันไปเรื่อยตีหัวมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีความเพียรไม่ถอยพาถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบเพราะกรดโดยทำเพราะสิ่งนั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสำเร็ จ, จ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิดผมก็เด้ขึ้นธรรมาด้วยมือมันไปก่อนอาจารย์นารรัตเป็นยังไงเป็นยังไงสบายไหม ฟังหลวงพ่อภาษาศินป์อยู่ก็บยังบพ อ, อ น, นี่ยังบอกเนหาวิธีแก้ทุกให้ผู้มีทุกอยู่เนี่ยแก้เลยวิธีใดทุกห <c oughs> ลวงตาบอกแล้วละองหันแสตสิเข้าใจะสิจับ <c oughs> อุบายได้ก็จับเอาธีแก้ทุกวิที่เอาชนะทุก รู้ทุกตามเป็นจริงเอ้าไม่ยัยงบ่าตรบ่ฟังหลวงพ่อประสาทว่านี่ยังถามมาตี่หรือาปล่าของเม่ทุกอย่างแ น, ในใ่ได้เจถามมาตี่สิแก่จังได้ลงตาถามมาตี่ นี่ประจำมณสาประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษมันจะเป็นโลกคือ ก, กันและข้าพ่ายยุ่งนี่ก็ได้ <c oughs> มีแผ่นดินนี่ต้นไม้มีมม่ผูมีค้นค้นก็เป็นเสื้อชาติของเขาเป็นพันุของเขาเท่าก็เป็นพันุของเขาเ แต่จะพันไดพันไดมันก็นอันเดียวกันล่ะยตนะพัสสะขันหาอันเดียวกันมีเก็บมีป่วยมีเกิดมีตายมีโรงพยาบาล ม, มีเม่นเผาศพคือกันวัดศพค้นศพสัดศพต้ตนใหม่ใบหญ้ามีวัด ไอ้คั่มค่มที่ห้าสวดเนี่ยเป็นคั่มสอนเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คั่มมผูกเป็นคัน่มสวดอภินหะกัจเวรเนี่ยควรควรญกำหนดบ่อยๆ อ, อันนี้เป็นอุบายแก้แก้กิจที่มีจริตในความโลภ คือมันมีแต่ความอยากอันนั่นอันนี้มีแต่ยากมีแต่ปรุงแต่งแต่เรื่องสิได้สิมีอันนั่นอันนี้ให้ภาวน่าจะเลิญ อ, อภินาถประเวณเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาอนะืม คัมบาลีเป็นว่าชาราธรมมหิชรังอนัตติโตพยาธิธมมหิพยาทิงอนัตติโตมรณะธรมมหิมรณงอนัตติโตคัมบาลีมาว่าคัมไทยห้าร้อตายเจ็บป่วยแกแกกัแ ก, แ ก, ก, แกเ่าเเ่าแกมัวว่าเนี่ยเพียมโยม อยู่ปากเก็ e ไปร่วมงานทําบุญวันขอบลอยวันหลวงปู่บุญญาฤทธิ์อยู่วัดหลวงปู่เจียย่ำย่ำมะแรงย่ำเศ้าสันเช้าแล้วก็จะขึ้นไปเพชรสมบูรณ์วัดหลวงพอ่อบุนท่านพุนเมชี่น้นอมกิจ เ ป, เป็นคนอยู่นนบุรีญาติปว่วยเป็นอัมพาตมาหาปีแล้ะเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งแห ล, ละถ้าตอนได้สามปีนอนอยู่กับเตียงนิมอนไปเยี่ยมอยู่ก็เลยไปเพรว่าเป็นปีที่หาแลวไปไปคั่บางนี่ยพวกแขนพวกหรือย่าง น, น, นี่แขนเบิดเยอะ แข็งเบ็ดกค้นมาเลยขยับขยื่นมันอวัยวะต่างๆมันเลยคือคือกันกรับว่ามันได้คือกันกับห่อห่อขี้ดินเหนียวมาปั่นลูกค้นเนี่ยนะมันได้เป็นดินมันแข็งมันเป็นคือก่อนดินเหนียวไปเลยมันโบมีความนิ่มนว่นี่ยังคือห่อธรรมดาอื เป่มันสมกวัาธานดินนี่ดิเนยมันร่วมกันทองยังบ่ฮั่นสินซี่วิยนมันกแข็งเป๊กเป็นก้อนดินแหล่า้นแต่ว่ายัางรบลบรูอยู่กิบในส่วนส่วนลบรูบลเล่ยไปสวดพุดถ้ำท้ำมั่งถ้ำคั้มเวลาลึกถึง เอาพุทธธรรมประสงค์เตียนให้เอาพุโทเอาคุณพระพุทธเจ้าเราเพิ่นเครื่อนยูเครื่องรู้ของใจของมุนีมันแตกป่วนไปละละเนี่ยมันเคยอ่อนเคยนิ่มนวลมันก็แข็งไปหมดละเคยขยับเขยนได้มันแข็งเป๊กไปเป็นหินเป็นดินไปหมดละ เอาแต่ใจเท่านั้นแ่ะใจรูร้พุทโธพุทโธอะไรรู้ว่ามันเป็นดินเป็นธาตุของมนุ่ยรับรู้ได้ล่ะไปเทศพูดธรรมะฟั่งน้ำตาไหลแบบตาไหลอั น, น <c oughs> วิบากเพราะฮั่นหมด ด้วอ uh ่้แฟนกับนัติดเตียงลูกดีน้อยอยู่าาเวสตีสตหลัป็นแข้งแข้งแขงไปหมดเมูนีติดกันยี่สเ เขาไม่แต่บอกกันล่ะบอกให้ภาวนาฟุตโต้ฟุตโต้มีสติอยู่ภาวนาหลับหับส่วนจิตมันรับรู้อยูอ่ส่วนกายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องเขาละอืมตายขึ้นธรรมชาติดเขาไปละเพราะว่าสุดท้ายมันประชุมอยู่ใจเนอืยเพราะนั้นหายใจรู้หายใจรู้ห้ใจมีปัญญารู้ถ้าถ้าได้ยินได้ฟังขานนั้นน่ะ ถ้ารู้ประมวลปัญญาร่วมสิ่งองสู้ใจเป็นเป็นญาณทัศนะเป็นสมาธิเป็นความเห็นชอบว่าร่างกายทั้งหลายมู้นี่มันเป็นมันเป็นสมมุติถ้าว่างโดยปัญญาหันก็เรียกว่าัน่ะเป็นพระอาหารหันต์ไปได้ในขณะนั้นใจต้องบอกเพิ่นสอนเพิ่นเรื่องอริยสัจเรื่องค้อม ก่ทเทียมเพราะมันก็นเห็นหู้ยุคกับเจ้าของแล้วปัจจุบันบน่ามันเปลี่ยนแปลงไปนี่ท่านั้นนี่ตห้ธรรมะท่ า, าทนั้นล่ะเอาลูกล้านนี่แหละเห้าอนี่แหละ ว, ว่าได้บุญล่ะไหไหเอ้อ อันส่วนท่ามุนท่าท่านเน่ยกะเขาก็มีท่ายาท่านนียังกะไอ้เพลนอันาไอ้บางสกุลนี่ยังใบคือที่โบราณเขาเห็นคุบาลายเพลนผ้าเห็นบางสกุลเอาของมีผ่ามียังะไปมีมุ่นพระเจ้าพระสงฆ์เพลนไปาบางสกุลบางสกุลเป็นบางสกุลตายเขา เอสกันนะครูบาอาจารย์พระเห็นอันนี้จาเป็นอั น, นิีจาตายเป็นการถวายท่านจิตก็จะเ อ, อิบอิ่มไปนั่มนั่นก็ได้ให้กันหรือว่าเข้าไปนั่มแหย่ให้ระลึกถึงคุณพระเจ้าย้านวสวดพุดทธังธรรมังสังฆ์เสียคิตมันก็น้อมไปได้เนอะนอนไปได้ดวงตาแค่ไปเยี่ยมลูกศิษย์จุนน้องไข่เสีย เสือไส่ที่แลกมันสิบวชแต่ตอนนมเตรียมเครื่องบวชไว้แล้วบวชกระโมยูยูยยมาใกใ้สิบหกเมื่อบวชพอบอกว่ามึมีผู้บังธุรกิจไงได้มไม่ได้บวชได้บวชตะโมู้ดเดียวอย่างนั้นมากมันก็ บ, บาวว่างเลี้ยงเทียร์ยูยูมากเอยจนทำธุรกิจจนมีขออมีขั้ว ม, มีลูกมีเต่าไม่ค่วยเป็นมาเร็ง อันละมก้อนเมื่อสิสิ้นสิสิสส้นซีวิตนน้งตาเลย่ยไปเยียบเดี๋ยวมมน้องค่ายนั่นกับพวกนี้มันก็เคยมันก็เคยสวดไม่สวดมน่นเคยระลึกถึงเรื่องบุญเรื่องบาป <c oughs> พ่อไปเคยบอกว่าให้ว่าเอาผู้ท้อเด้อนึกผูทโธ้อจะอารมณ์ผองใจมันกับผู้ ท, ทอ้อน้ำทำโม ว่าวันนี้ก็นึกไปน่ำถ้าวา่าผ้าสวด e so. อีทิพีโซก็สวดก็น่ำขันเ่าขันห่าผ้าว่าจบแล้วก็ถามห้ออีกมีอันไหนอีกชน ส, สุดท้ายเลยเดี๋ผ้าสวดม้วนวนนั่นวนนี่ไปกิตมันกับเพื่ อ, อนนี่นี้เรียกว่าต้องต้องบอกต้องน้ำซะกัน ยังคอยสีน้อมไปตามเสียงความลูนะ่มันยังคอยเสียมันยังสิบประมวลลุวนเปัจจุบันหรือว่ายังสิเป็น ส, สติสมาธิขำว่าที่จิตเราเขา้าเขา้เขาว่าได้ทรงเสียงดังแม่เอินเข้าทรงเสียง ที่น่อมน้ำอะไรนะเรียกว่าเสียงคือคือเขาคือพวกชิดพวกอยังเขาไปสวดมนต์เลยท่านสุดป่วยคนอย่างของศาสนาขีตเขาก็ไปสวดมนต์เพียรให้กิฟนี่มันเพิ่นกับเสียงสวดอันเหง่อก็สวดมนต์เลยเพิ่นกับเราพระพุทธเจ้าพุทโธทัมโมสังโฆคุณพระพุทธเจ้าก็จะนึกเขามาที่ใจอย่างของบามีแนวอื่นเนา ทางคันนี้แล้วนี่เท่านั้นบ่น <c oughs> มันเป็นของเกิดรับยุยในให้เมื่อมันมีมันมีคการสัสมผัสกันยุนรูป ล, ลูกน้ำมเพิ่นว่า <c oughs> สัญญาสัญญาที่เกิดระวางรูปน้ำมสัมผัส มีความจํามีความจําความหมายที่นี่เมื่อจิตกับ ก, กายมันแยกกันมันยังมีสัญญาณในจิตอีกเพราะท่านมันจึงเป็นเชื่อที่ต้องหมุนเมื่อเกิดอีกหมุนเขาไปสู่พบไปติดนั่น น, น, น, นี่ตามกรรมที่ที่มันมีในจิต ก็ น, นั่นแล้วพันเจ้งว่าก็ให้เราลึกถึงพุทธเจ้าคนสอนว่าให้เราลึกถึงเราตถาคตนีหรือเราลึกถึงถ้ำถ้ำที่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วคือยังอหรือทําความเป็นจริงกับเส้นยังว่าอันนี้จังข้อมมะเทียมนะจะเป็นถ้ำไม่ใช่ตัวตนออันนี้เป็นการ เ, เรียกว่า ท่อนกระแสท่นกระแสของอกุศลมันกำมากอกุศลเพราะฉะนั้นนี่ว่าการนึกผู้ท้อผูโทเป็นอารมณ์อยงหน่นะคันเพราะนึกผูโท้อผู้ทอยู่น้อยนึงมันก็สิไปหาอกุศลเป็นอารมณ์ที่มันเคยผ่านมากอดีตหรืออนาคตได้แค่สัญญามันจะหมายมันไปก็ต้องปฏิวัติยังนี่ต่อเมื่อสติสมาธิของเขามันกล้าแล้วนั่น เอมันจึงเป็นการระงับสัญญาได้อื่ามันจึงเป็นการระงับสัญญาที่เป็นที่เป็นกุศลนัก็จะมาอยู่ในสัญญาที่เป็นกุศลเป็นข้อมดีได้บ่ให้บ่ให้ตามไปที่เป็นอาโอที่เป็นกุศลเนี่ยให้ที่ยหน้าไปได้ออืืมเป็นการแก้อกคุศลนั่นแหละ การแก่กุศลก็คือยังพุทธเจ้าพันสอนพระองคุลิม่านเดชพันขาคน้นเข่าล อ, อยเข่าซุบเขค้ออนเ<ม>ดี๋ยวเล่าพันมาพอน้าคิดของพนกับไปไปในสัญญาใ้ที่ทำบาปมันก็เป็นกรรมนิมิตบาทมันปรากฏเป็นกรรมนิมิตคือมา้าพอมอ่ะนีแต่ค้นถือมีดถือดาบ <c oughs> สิตามขาตามทำไร่ ไอ้กิน ก, กบวุ่นทั้่าที่เมื่อมีสัญญานั่นมันก็นเกิดปฏิฆะความงดยิ ด, ดความร้อนขึ้นมาพระเจ้าจึงสอนว่าให้ยกให้ยกความรู้หรือว่าสติปัญญาเนี่ยขามอารมณ์ ม, มันนั่นให้มาอยู่ในปัจจุบันเลยป่ะอาย่ปัจจุบันที่เราได้บวชแล้วเราเว้นแล้วอดีต เป็นอดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันแล้วถ้ำยังนี่ยังนี่ทำดีอยู่นี่นี่จะแก้ด้วยวิธีนี่การนั่นหลักการว่าเอาอารมณ์ อนนี้จงทุกขรังอนาตตาที่เรียกว่าไตาลักนะั่นคำนรสู่คำนรสู่คำนรสู่ต่อเมื่อสติของเท่ามันแนวแน่เป็นสมาธินะั้นยังค่อยตัดยังค่อยสิตัดแด็กกับปานิปัญญานี่เป็นสิเป็นตัวมามาตัดค้อมเห็นมาแก้ค้อมเห็นว่าเทาเท่าทําโทษเออ เอาทำบาปท่ำโทษอันนั้นอันนี้มาเนี่ยมันที่แกเมื่อมันเมื่อมันปัญญามันประชุมมข้อมเห็นลงไปว่าสภาวะทั้งหลายเรานั้นก้าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันยังค่อยสิพริยังวาตัดกรรมสรูปในกิตในแรเนี่ยวันที่ว่า ผู้คนบริสุทธิ่หรือคมีกรรมไม่คิดอยู่แต่ว่ามันมีอยู่วิบากที่จะให้ผลอซี่ให้ผลอยู่ได้าะอย่างพระองคุลิมานเค น, นก็จิตของคนคนสมมุติไปได้แล้วอ่าคนไปใส่ใ น, น, นั้นเลยเขาควงค้อนว ง, งอยังนั้นไปถือคนอยู่เด้ <laughs> ตัวนี่ละมันเป็นตัวทุกเป็นตัวเป็นเชื่อของผมของชาติ ตัวสัญญาสังขาร น, นี่แหละเพราะฉะนั้นที่เห้ภ า, าวนาที่วันสอนให้ภาวนาเพื่อให้มาลู้เท่าสัญญาสังขาร น, นั่นนี่